นะโมตัสสะพะกวาโตอะระหะโตสมมาสมบุติสสะนะโมตัสสะพะกวโตอะระหะโตสมมาสมบุติสสะนะโมตัสสะพะกวาโตอะระหะโตสมมาสมบุติสสะ อาเชวิกิจจะมาตับปังโกจัญญามารนองสุเวนาหิโนสังขรันเตณมหาเซเนณมัจุนาติบัตทนี้จากแสดงพระธรรมเทศนาคือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาทถาคตเจ้า เือให้เกิดประโยชน์มีความสงบแห่งใจเป็นเบื้องต้นมีความผ่องใสแห่งใจเป็นที่สุดให้พอสมควรแก่วันธรรมมัสสวนะคือวันแห่งการฟังซึ่งทำอันเวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งก่อนที่จะได้บรรยายธรรมต่อไปก็ขอให้ทุกท่านได้สำรวมกายวาจา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 ที่จะจอดเข้ามารบกวนจิตใจอันจะทำให้เสียซึ่งประโยชน์ที่จะได้จากการฟังซึ่งพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระสัสดาเมื่อสักครู่ได้พูดว่าได้ขอให้ทุกท่านได้ทำจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่กับตัวอาตมาก็เลยอยากจะขยายความตรงนี้เพิ่มขึ้นอีกสักหน่อย การที่เราจะมีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่กับตัวนั้นก็หมายถึงเราต้องย้อนใจย้อนความรู้สึกเข้ามาที่ตัวณตอนนี้เรากําลังนั่งอยู่ก็ให้เรามีสติรู้สึกถึงอาการนั่งอยู่ของเรามีสติรู้เห็นกายที่มันนั่งและกายนี้ก็มีลมไหลเข้าไหลออก เมื่อเราเห็นอยู่อย่างนี้ก็จะขึ้นชื่อว่าเราได้ย้อนใจกลับเข้ามาในภายในมีสติอยู่ในภายในเมื่อมีสติอยู่ในภายในอยู่อย่างนี้เราก็จะเห็นอาการของกายที่มันนั่งอยู่เห็นกายที่มันมีลมหายใจไหลเข้าไหลออกอย่างที่เป็นปกติของมัน พร้อมกันนี้เราก็จะสามารถมีสติรู้สึกได้ถึงความมีอยู่ของความคิดซึ่งบางครั้งเราก็จะเผลอเข้าไปเป็น1เดียวกับความคิดในเมื่อสติเราเกิดขึ้นอีกเราก็จะมีสติเห็นถึงกายอันหนึ่งความคิดอันหนึ่งพร้อมกับความรู้สึกในใจอีกอันหนึ่ง และถ้าเราประคองสติของเราให้รู้กายรู้ความคิดรู้ใจอยู่ได้อย่างนี้เราก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีสติอยู่ในภายในบางท่านอาจจะรู้สึกว่าทาไมอัตมาจึงต้องขยายความให้มันดูยืดยาวดูยุ่งยากแต่ทั้งนี้ก็เพื่อที่ อยากให้ท่านทั้งหลายได้รู้สึกถึงสภาวะของกายและใจจริงๆที่เป็นสภาวะไม่ใช่มาจากความจําแล้วถามว่าการจําได้มันไม่ดีตรงไหนอาตมาก็ขอตอบว่าการแค่จําได้อย่างเดียวโดยไม่เห็นสภาวะนั้นๆก็เป็นเรื่องดีแต่เป็นแค่ดีในเบื้องต้น ยังไม่ดีในที่สุดเพราะจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการศึกษาธรรมะที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้นั้นก็คือใจของผู้ที่ศึกษาจะมีโลภะโทสะโมหะราคะที่ค่อยๆลดลงแม้ในที่สุดคือโลภะโทสะโมหะราคะ และอวิชชาหมดไปจากใจการที่เราศึกษาจากการได้ยินได้ฟังหรือแม้แต่การอ่านความเข้าใจที่ได้ก็อยู่ในชั้นความเข้าใจทางตกะแต่ความเข้าใจในชั้นตกะนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีมันก็สามารถทาให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นได้รู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดีอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปแต่การที่ไม่เห็นสภาวะตัวจริงของกายของความคิดของความรู้สึกในใจจริงๆมันก็ทำให้การศึกษาธรรมะไปได้ไม่สุดทางทั้งที่เราจะเห็นได้ว่าการที่เป็นผู้ที่ทรงจำคำสอนได้มากเชื่อมโยงหัวข้อธรรมะได้ดี ก็ไม่ได้รับประกันว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้ที่มีความโกรธเบาบางเป็นผู้ที่มีราคะลดน้อยหรือเป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อมีความเมตตาที่มากขึ้นอย่างชัดเจนกลับกลายเป็นว่าการที่เป็นผู้ทรงจาคาสอนได้มากโดยที่ไม่ได้เห็นสภาวะกายและใจของตน ก็จะนำความจำที่มีนั้นเปลี่ยนไปเป็นความเพ่งโทษผู้อื่นคมขีผู้อื่นด้วยวาถะเป็นผู้มีจิตใจเร่าร้อนง่ายมุ่งงิดได้ถ้าบุคคลอื่นไม่ทําตามในสิ่งที่เราได้ศึกษามาซึ่งการศึกษาธรรมะแล้วได้ผลกับใจอย่างนี้ก็ขึ้นชื่อว่า ยังไม่บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาธรรมะตามแนวทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงกําหนดไว้ซึ่งก็คือให้เป็นผู้ที่ถึงความไม่มีทุกข์และทุกข์ในที่นี้ก็คือทุกข์ใจนั่นเองและการที่ใจจะเป็นใจที่ไม่มีทุกข์ได้นั้นสิ่งสําคัญที่จําเป็นยิ่งยวด คือการที่เราจะต้องรู้จักใจของเราซสก่อนเมื่อเรารู้จักใจแล้วจึงรู้ว่าที่ทํางานที่ทําการศึกษาคําสอนนั้นคือที่นี่ที่กายที่ใจของเรานั่นเองเพราะที่แห่งนี้เป็นที่ที่ตัวจริงของโลภะโทสะโมหะราคะอวิชชานั้นทํางานอยู่จริงๆ แต่ถ้าเรานำธรรมะนำคำสอนมาใช้นะที่ตรงนี้แล้วความไม่ดีของใจมีโลภะเป็นต้นจะค่อยๆลดลงไปได้อีกทั้งความดีต่างๆของใจมีการให้ทานการเอื้อเฟื้อความอดทนอดกลั้นความเมตตาอุเบกขาเหล่านี้เป็นต้น ก็จะค่อยๆเจริญขึ้นเป็นลำดับฉะนั้นอาตมาจึงได้ใช้เวลาช่วงต้นนี้ไปกับการขยายความเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ย้อนสติย้อนความรู้สึกตัวกลับเข้ามาในภายในของตนมีความรู้สึกตัวที่เราเป็นผู้ที่เห็นกายมันมีลมไหลเข้าไหลออก อีกทั้งมีความรู้สึกตัวที่เราเห็นความคิดและความรู้สึกในใจของเราว่ามันก็กำลังดำเนินไปในแบบที่มันเป็นและสิ่งที่เราต้องทำก็คือคอยรู้สึกรู้ทันกายและใจของเราอยู่ในภายในนี้เมื่อพูดถึงการศึกษาปฏิบัติ ก็ต้องพูดถึงนักปฏิบัติด้วยซึ่งเราก็มีการจำแนกเหล่าผู้ปฏิบัติได้หลายแบบอย่างคร่าวๆก็เป็นคาวาดและนักบวชหรือจำแนกเป็นผู้ชายและผู้หญิงซึ่งพระพุทธเจ้าเองก็ได้ทรงจำแนกผู้ปฏิบัติไว้เช่นเดียวกันโดยพระองค์ได้ทรงจำแนกโดยการอุปมาอุปไมยไว้ เมื่อครั้งทรงสนทนากับโพธิราชกุมารซึ่งมีอยู่สามประเภทด้วยกันคืออุปมาที่หนึ่งว่าเปรียบเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางทั้งตั้งอยู่ในน้ำถ้าบรุษพึงมาด้วยหวังว่าจากถือเอาไม้นั้นมาสีให้เกิดไฟจกทำไฟให้ปรากฏ บโรดนั้นเอาไม้สดชุ่มด้วยยางทั้งตั้งอยู่ในน้ำมาสีไฟพึงให้ไฟเกิดพึงทาไฟให้ปรากฏได้บ้างหรือซึ่งโพธิราชกุมารได้ทูลตอบว่าข้อนี้ไม่ได้เลยพระเจ้าค่าประไม้ยังสดชุ่มด้วยยางทั้งตั้งอยู่ในน้ำ บุรุษนั้นก็จะพึงเหน็ดเหนื่อยลำบากกายเปล่าจากนั้นจึงได้ทรงอุปมาตอบไปว่าดูก่อนราชกมุมารข้อนี้ฉันใดสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นมีกายยังไม่หลีกออกจากกามยังมีความพอใจในกามยังเสน่หาในกาม ยังหลงอยู่ในกามยังกระหายในกามยังมีความเร่าร้อนเพราะกามยังละไม่ได้ด้วยดียังให้สงบประงับไม่ได้ด้วยดีในภายในสมณพราหมณ์เหล่านั้นถึงแม้จะได้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าเผ็ดร้อนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดีถึงจะไม่ได้เสวยทุกขเวทนาที่กล้า เหตุร้อนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดีก็ไม่ควรเพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นเพื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้อันไม่มีทำอื่นยิ่งกว่าส่วนอุปมาที่สองว่าเปรียบเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางตั้งอยู่บนบกไกลน้ำถ้าบุรุษพึงมาด้วยหวังว่า จะเอาไม้นั้นมาสีให้เกิดไฟจากทำไฟให้ปรากฏปรุษนั้นเอาไม้สดชุ่มด้วยยางตั้งอยู่บนบกไกลน้ำมาสีไฟพึงให้ไฟเกิดพึงทำไฟให้ปรากฏได้บ้างหรือซึ่งโพธิราชกุมารได้ทูลตอบว่าข้อนี้ไม่ได้เลยพระเจ้าข้า ระไม้นั้นยังสดชุ่มด้วยยางแม้จะตั้งอยู่บนบกไกลน้ำบุรุษนั้นก็จะพึงเหน็ดเหนื่อยลำบากกายเปล่าจากนั้นจึงได้ทรงอุปมายต่อไปว่าดูก่อนราชกุมารข้อนี้ฉันใดสมณะหรือพรามเราได้เหล่าหนึ่งมีกายหลีกออกจากการรม แต่ยังมีความพอใจในกามยังสเสนหาในกามยังหลงอยู่ในกามมีความกระหายในกามมีความเร่าร้อนเพราะกามยังละไม่ได้ด้วยดียังให้สงบระงับไม่ได้ด้วยดีในภายในสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นถึงแม้จะได้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าเผ็ดร้อนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดี ถึงแม้จะไม่ได้เสวยทุกเขเวทนาที่กล้าเผ็ดร้อนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดีก็ไม่ควรเพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นเพื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้อันไม่มีทำอื่นยิ่งกว่าและอุปมาที่สามว่าเปรียบเหมือนไม้แห้งกรอบทั้งตั้งอยู่บนบกไกลน้ำ ท้าบรุดพึงมาด้วยหวังว่าจากเอาไม้นั้นมาสีให้ไฟเกิดจากทําไฟให้ปรากฏปรุดนั้นเอาไม้แห้งเกราะทั้งตั้งอยู่บนบกไกลน้ํานั้นมาสีไฟพึงให้ไฟเกิดพึงทําไฟให้ปรากฏได้บ้างหรือซึ่งโพธิราชกุมารได้ทูลตอบว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่า ประมายนั้นแห้งเกราะและทั้งตั้งอยู่บนบกไกลน้ำจากนั้นจึงได้ทรงอุปมายต่อไปว่าดูก่อนราชกุมารข้อนี้ฉันใดสมณะหรือพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้น แ, แลมีกายหลีกออกจากกามแล้วไม่มีความพอใจในกามไม่สเสนหาในกามไม่หลงอยู่ในกาม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 เพื่อจะเห็นเพื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้อันไม่มีทาอื่นยิ่งกว่าได้เมื่อพูดมาถึงตอนนี้บางท่านอาจจะคิดอยู่ในใจว่าทำไมธรรมมาจึงยกสำนวนที่ฟังยากๆมาแสดงในที่นี้น่าจะสรุปให้ดูฟังง่ายๆสักหน่อย ทั้งนี้ก็เพราะอาตมาอยากให้ทุกท่านได้ฟังสำนวนถ้อยคำอันสละสลวยรบอบครอบรัดกุมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ส่วนการที่จะทำให้ฟังดูง่ายและทำให้เห็นภาพเข้ากับสถานการณ์ของทุกท่านก็เป็นหน้าที่ต่อไปของอาตมาเองจะอุปมาที่กล่าวมาทั้ง3ข้อนี้ ส่วนหลักสำคัญก็มีอยู่ด้วยกัน3ตัวด้วยกันนั่นก็คือกามหนึ่งกายหลีกออกจากกามหนึ่งและผลของความเพีย r น, นั้นหนึ่งซึ่งคำว่ากามในที่นี้บางท่านอาจจะตีความไปในความหมายถึงเรื่องทางเพศเพียงอย่างเดียวแต่แท้จริงแล้วคำว่ากามในที่นี้มีความหมายกว้างกว่านั้น ซึ่งความหมายที่แท้จริงก็หมายเอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองแต่ก่อนที่จะได้พูดถึงนักปฏิบัติที่พระพุทธองค์ได้ทรงอุปมาไว้ทั้งสามแบบนั้นก็จะขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของศีลและการบรรลุคุณธรรมในพระพุทธศาสนานี้ก่อนถ้าว่าเรื่องศีลแล้ว ในศาสนานี้ก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกันมีศีล5ศีล8เป็นต้นแต่ทั้งนี้ศีลก็คือข้อประพฤติปฏิบัติของศาสนิกในศาสนาส่วนที่มีหลายแบบหลายอย่างนั้นก็เพื่อให้เหมาะสมกับสถานะของผู้ปฏิบัตินั่นเองสำหรับผู้ของเรือน สินค้าก็เป็นข้อประพฤติพื้นฐานแต่ถ้าท่านใดอยากจะขูดกลาวกิเลสให้มากขึ้นท่านก็ให้มีการปฏิบัติเป็นสินแปหรือสีลอุโบสถส่วนในเพศของนักบวชแล้วข้อประพฤติปฏิบัติก็เป็นสน้ีล227ซึ่งถ้าจะให้ฆราวาดมาถือสีนเคร่ง227้แบบนักบวชแล้วซสย ชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดำเนินไปได้โดยยากส่วนนักบวชถ้าจะให้ถือศีลหศีล8ก็จะเป็นการย่อหย่อนเป็นเครื่องเนื่นช้าสำหรับผู้ที่สลละเรือนออกบวชเพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์ฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงบัญญัติศีลให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ปฏิบัติอย่างนี้ ส่วนผลของการประพฤติปฏิบัติธรรมในศาสนานั้นก็มีความเสมอกันไม่ว่าจะเป็นนักบวชที่ถือศีล227หรือฆรวาสที่ถือศีล5ล้วนสามารถทำที่สุดแห่งทุก์ได้พ้นจากทุกข์ได้ด้วยกันทั้งนั้นทีนี้อีกประเด็นที่อยากจะอธิบายไว้ก่อน ่อที่จะเข้าสู่ประเภทของนักปฏิบัติก็คือประเด็นที่ว่ามีกายยังไม่หลีกออกจากกามและมีกายหลีกออกจากกามซึ่งบางท่านพอได้ฟังที่พระพุทธองค์ได้แสดงไว้ว่ามีกายหลีกออกจากกามก็อาจจะคิดไปถึงการเว้นขาดจากกามแต่ตมาก็อยากจะชี้ให้เห็นว่า เมื่อความหมายของกามนั้นเกี่ยวแก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติในสถานะศีลขั้นไหนก็ตามแต่ล้วนแล้วต้องเกี่ยวด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งนั้นด้วยทั้งทางกายและทางใจเพราะเรายังมีชีวิตยังต้องยังอัตภาพนี้ให้เป็นไป การที่มีกายต้องเสียบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจึงเป็นสิ่งแน่นอนถ้าถึงอย่างนั้นการเสียบสิ่งเหล่านี้ก็จะแตกต่างกันไปอย่างเช่นคนที่ถือสินห้าก็สามารถเลือกบริโภคอาหารได้ตลอดเวลาส่วนคนที่รักษาสิน 8, สิน 10, สินส2งี ก็ไม่สามารถบริโภคอาหารหลังเที่ยงไปแล้วได้ซึ่งในรายละเอียดอื่นๆท่านสาธุชนก็คงพอคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วพอสมควรแต่ถ้าอธิบายอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเฉพาะคนที่รักษาศีลห้าเท่านั้นเป็นผู้ที่มีกายยังไม่หลีกออกจากกาม เราดูเหมือนว่าเป็นการเสพกามที่มากกว่าคนที่ถือสิน8ศดสินสิอีล227อัตมาก็ขอแกว่าการมีข้อจํากัดที่เพิ่มขึ้นของผู้ที่รักษาสีลที่มากกว่าสิน5้านั้นก็ยังพูดไม่ได้ว่าเป็นผู้มีกายหลีกออกจากกามได้อย่างแท้จริงจะเป็นผู้ที่ถูกจํากัดการเสพกาม เพื่อให้เป็นไปถึงการเป็นผู้มีกายและใจหลีกออกจากกามถ้าไมอาตมาถึงว่าอย่างนั้นนั่นก็เพราะถึงแม้จะเป็นนักบวชแต่ยังติดในข้าวของเครื่องใช้ต้องอันนั้นอันนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ติดในรสอาหารต้องร้านนั้นร้านนี้อย่างนี้เป็นต้น ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีกายยังไม่หลีกออกจากกามเช่นเดียวกันในทำนองกลับกันสำหรับบุคคลที่ประพฤติสินค้าเป็นปกติรู้จักความจริงของชีวิตก็จึงเข้าใจว่าเราเสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆก็เพียงเพื่อยังอัตภาพนี้ให้เป็นไปเท่านั้นไม่ฟุงเฟอ้อไม่ยึดติด ไม่เบียดเบียนตนจนเกินไปรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักประมาณบุคคลประเภทนี้ต่างหากจึงขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีกายหลีกออกจากกามอย่างแท้จริงทีนี้ก็ขอกลับเข้ามาสู่ประเด็นประเภทของนักปฏิบัติ นักปฏิบัติประเภทแรกนี้ก็คือพวกที่ยังมีกายยังไม่หลีกออกจากกามและใจก็ยังยินดีพอใจในกามเป็นบุคคลที่รักสุขเกลียดทุกข์มีความปรารถนาที่จะไม่มีทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นผู้ที่พยายามรักษาศีลให้บริบูรณ์พร้อมตามเพศของตนไม่ว่าจะเป็นครวาษ หรือนักบวชเพราะเป็นผู้เห็นโทษของการที่ศีนไม่บริบูรณ์ซึ่งทำให้ทุกภายนอกอย่างหยาบไม่สามารถสงบระงับลงไปได้อีกทั้งเป็นผู้ที่พยายามระงับทุกอย่างกลางคือความทุกข์ใจมีความหงุดหงิดเบื่อเหงาฟุ้งซ่านเหล่านี้เป็นตน้นให้สงบระงับลงไป โดยอำนาจการทำความสงบใจให้เกิดขึ้นด้วยการฝึกสติทำสมาธิและพิจารณาตามหลักคำสอนอยู่เสมอว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนแต่ในทํานองกลับกันก็ยังเป็นผู้ที่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นสักหน่อยภาพก็เป็นภาพที่เราเห็นกันจนชินตาหรือเป็นการอยู่นั่นก็คือเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ตามปกติเราก็ยังใช้เวลาส่วนใหญ่ที่จะดูหนังฟังเพลงหรือไปหาอะไรอร่อยๆ ร, รับประทานกับเพื่อนหรือครอบครัว เวลาที่มีใครนินทาอะไรกันเราก็ยังอยากที่จะไปฟังไปร่วมวงสนทนาด้วยเพราะฉะนั้นถึงแม้จะพยายามรักษาศีลได้ดีแล้วแต่ใจก็ยังฟุ้งไปกับความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสส่วนเวลาที่ใจเกิดมีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็น เบือเศร้าเหงาโกรธเหล่านี้เป็นต้นถึงแม้จะพยายามที่จะเข้าสมาธิข่มไว้แต่ด้วยความสงบตั้งมั่นของใจไม่มีเป็นทุนไว้เลยก็จะข่มอารมณ์เหล่านี้ได้ยากลำบากซึ่งทำให้นักปฏิบัติประเภทนี้เลือกวิธีแก้ทุกข์โดยการเสพความสุขจาั ก, การามเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นอันดับแรกแต่ผลที่สุดก็จะได้ว่าระดับโลภะโทสะโมหะราคะในใจก็ไม่ได้ลดลงได้เท่าที่ควรมีผลที่เป็นทุกข์อย่างกลางให้ปรากฏเด่นชัดอย่างที่แก้เท่าไหร่ก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีต่อเมื่อได้ยินได้ฟังคำสอนได้รับ คำแนะนำจากครูบาอาจารย์ก็จึงได้หาเวลาหลีกเร้นจากหมู่คณะมีการฝึกัสติทำสมาธิเพิ่มขึ้นเป็นครั้งคราวซึ่งในระหว่างการหลีกเร้นเพื่อปฏิบตัติก็ได้รับผลความสงบที่ใจเป็นที่น่าพอใจแต่แล้วพอกลับเข้าสู่ชีวิตปกติ ก็หวนกลับไปวิถีดเดิมจากใจที่ได้รับผลความสุขความสงบจากการที่ได้หลีกเล่นไปทำความสงบนั้นความสงบใจที่มีก็ค่อยๆลดน้อยลงไปใจที่ได้เว้นหรือหลีกออกจากกามในช่วงปฏิบัติเป็นใจที่ยินดีกับการหลีกออกจากกามเพื่อหาความสงบ ก็ค่อยๆกลับมาเป็นใจที่สแสวงหาความสุขทางกามมากขึ้นค่อยๆห่างจากการประกอบความเพียรเพื่อความสงบใจสุดท้ายแล้วก็กลายไปเป็นแบบเดิมส่วนนักปฏิบัติประเภทที่2ก็เป็นนักปฏิบัติที่ยกระดับได้ดีขึ้นจากประเภทแรกเนื่องด้วย เห็นโทษของความไม่สงบของใจเลยเห็นคุณประโยชน์ของใจที่สงบระงับมีอารมณ์ของใจที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งไม่หวั่นไหวไปกับ ร, รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อมีใจที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเวลาใช้ชีวิตตามปกติก็รู้สึกได้ถึงความที่ทุกอย่างกลางมีความเหงาความเบือ่อ หรือแม้แต่โลกโกรธหลงที่เบาบางลงไปอย่างประจักษ์ที่ใจนักปฏิบัติประเภทนี้ก็จะมีแก่ใจที่จะรักษาใจได้เข้มข้นเพราะรู้ถึงผลของการที่ปล่อยใจให้ไหลกลับไปเสพการหาความสุขส่วนใหญ่ของชีวิตจากกรมในแบบที่เคยว่าจะทำให้ใจที่มีความสุข ความสงบตั้งมั่นอย่างนี้เสื่อมไปวนกลับไปเป็นใจที่ไม่ตั้งมั่นขาดความสุขในภายในเป็นใจที่หิวในอารมณ์ทำให้เรากลายเป็นคนที่งดกิดง่ายเสียใจง่ายโกรธง่ายเป็นตน้นแบบเดิมๆอีกครั้งหรือสรุปให้สั้นลงสักหน่อยก็คงพอสรุปได้ว่า เห็นโทษของการที่ยังมีกายที่ยังไม่หลีกออกจากกามแล้วประพฤติตนให้เป็นผู้ที่มีกายที่หลีกออกจากกามนั่นเองแต่ถึงแม้จะทำได้ดีคือเป็นผู้มีกายหลีกออกจากกามแล้วก็ตามแต่เพราะเหตุที่ตนมีความสุขอันเกิดจากการทำความสงบในภายในได้มีอารมณ์ที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่ง รักษาอารมณ์ที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งอันนี้ได้อย่างชำนาญจึงเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกมั่นใจในกระบวนการหาความสุขอันเกิดจากความสงบในภายในหรือพูดให้ฟังดูเป็นรูปธรรมมากขึ้นสักหน่อย <c oughs> ก็คือเป็นผู้ที่ทำสมาธิได้ดีทรงอารมณ์ของสมาธิได้อยู่เรื่อยๆนั่นเองแต่นักปฏิบัติประเภทที่2นี้ จะหยุดและยินดีพอใจกับความสุขแต่การสงบระงับของกิเลสเพียงเท่านี้เพราะมีความรู้สึกสุขสงบสบายกระทบอารมณ์จากภายนอกใจก็ยังสงบตั้งมั่นอยู่ได้หรือเมื่อมีเรื่องกระทบใจก็สามารถกำหนดเข้าสมาธิใจทุก์เพราะเรื่องต่างๆ ก็กลับมาเป็นใจที่สงบพระงับได้ดังเดิมจึงทำให้เกิดความเห็นว่าการเข้าสมาธิได้อย่างนี้เป็นการละกิเลสยกตัวอย่างเช่นในขณะที่โดนหัวหน้าตำหนิก็เกิดความขัดเคืองใจพอรู้ว่าเกิดเรื่องกระทบใจอย่างนี้แล้วก็รีบกาหนดเข้าสมาธิ ในแบบที่ต้นถนัดมีการดูลมหายใจเป็นต้นพอดูลมหายใจใจก็ย้อนกลับเข้ามาสวยอารมณ์ของการหายใจใจตั้งมั่นในอารมณ์นี้ได้แม้ในขณะที่หัวหน้ากำลังตำหนี่อยู่ตนก็เห็นสิ่งกระทบภายในใจสงบไปเมื่อพอเห็นอย่างนี้บ่อยๆ ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจว่าโลภะโทสะโมหะราคะและวิชาจะหมดไปด้วยอาการอย่างนี้ด้วยวิธีอย่างนี้จากนั้นความมั่นใจในการเข้าสมาธิก็ทำให้รู้สึกไปได้ว่าเราก็กลับไปดำเนินวิถีในแบบนักปฏิบัติประเภทแรกได้คือคลุกคลีด้วยกามได้ แต่ใจไม่หวั่นไหวแต่แท้จริงแล้วเขาไม่ได้มีความละเอียดละออในจิตเพียงพอที่จะเห็นว่าในขณะที่เขาอาจจะเล่นโซเชียลมีเดียหรือดูหนังฟังเพลงอะไรเหล่านี้ด้วยความรู้สึกของใจที่ไม่หวั่นไหวนั้นกระแสของใจที่ยังมีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ก็ยังมีอยู่เพียงแต่ไม่ได้กระทบกระเทือนจิตใจณขณะนั้นเพราะเนื่องด้วยอำนาจของสมาธิที่ตนได้ทรงไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นความประมาทในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ค่อยๆทวีขึ้นจนกำลังของสมาธิที่ตนได้เคยสะสมไว้ อ่อนกำลังลงจนไม่เพียงพอที่จะต้านทานเพื่อไม่ให้จิตใจหวั่นไหวไปตามอารมณ์เหล่านั้นซึ่งนักปฏิบัติประเภทนี้แม้จะมีกายหลีกออกจากกามแต่ใจยังหลีกออกจากกามได้ครั้งคราวตามความเห็นโทษที่เกิดขึ้นกับจิตใจเหมือนที่พระองค์ได้อุปมาไว้คือยังมีความพอใจในกาม ยังเสน่หาในกามยังหลงอยู่ในกามมีความกระหายในกามมีความเร่าร้อนเพราะกามและที่สําคัญคื อ, อยังละไม่ได้ด้วยดียังให้สงบระงับไม่ได้ด้วยดีในภายในซึ่งทำให้นักปฏิบัติประเภทที่สองนี้พยายามปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในลักษณะนี้เท่าไหร่ ผลที่สุดคือไม่สามารถเพื่อจะยังให้เกิดปัญญาอันเป็นเครื่องตรัสรู้ได้เลยส่วนนักปฏิบัติประเภทที่3เป็นนักปฏิบัติที่พัฒนาตนเองจากประเภทที่สองเพราะตนเห็นโทษของจิตที่แอบหลงไปยินดียังมีเยื่อใยในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งทำให้สมาธิที่ได้เสื่อมลง และเมื่อเห็นดังนี้แล้วจึงพยายามแก้ไขจิตของตนที่หลงไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือแม้แต่ความคิดตริตรึกอันเป็นความคิดตริตรึกที่ยินดีพอใจในกาบนั้นๆเมื่อสติที่ได้รับการฝึกหัดอบรมใหม่นี้ทำงานได้เท่าทันความหลงไปยินดีพอใจได้อย่างดีแล้ว จิตก็จะเป็นจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในภายในได้อย่างแท้จริงซึ่งวิธีการก็ไม่ได้ยากอะไรเพียงแค่มีสติระลึกรู้อย่างที่อตมาได้กล่าวไว้แต่ตอนต้นไว้เท่านั้นเองเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในภายในได้อย่างดีแล้วสติที่มีหน้าที่ระลึกรู้เท่าทันกายเท่าทันใจและเป็นจิตที่อ่อน ไม่แข็งกระด้างจากการเพ่งเป็นจิตพร้อมเพื่อที่จะนำไปพิจารณาให้รู้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงในแบบที่มันเป็นได้ก็ให้หมันพิจารณาอยู่เนืองๆในขณะที่เรากำหนดสติอยู่อย่างเช่นในขณะที่เราเห็นกายมันมีลมไหลเข้าไหลออกอยู่เราก็จะรู้สึกได้ถึงความรู้สึกตัวของเราอันหนึ่ง ร่างกายอันหนึ่งความรู้สึกในใจอันหนึ่งและสิ่งที่เราจะรู้สึกได้ชัดมากก็คือกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ความเป็นเราคือความรู้สึกที่เราเห็นกายอยู่หรือบางครั้งเราหลงไปคิดพอสติเราเกิดเราก็รู้สึกได้ว่าความคิดเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่รู้อยู่ เราคือสติผู้รู้สึกเห็นความคิดนั้นเมื่อทำได้อย่างนี้บ่อยๆเราก็เริ่มที่จะรู้สึกได้มากขึ้นเรื่อยๆในใจของเราเองว่ากายนี้ส่วนหนึ่งไม่ใช่เราแท้จริงถาวรความคิดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ส่งใจไปยึดไว้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งต่างหาก จากเราแต่ถึงแม้จะรู้สึกในใจได้อย่างนี้ว่ากายไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงที่แท้มันควบคุมไม่ได้เดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็ป่วยเดี๋ยวมันก็ตีสุดท้ายมันก็ต้องตายกลับไปเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเมื่อเราเห็นอย่างนี้ก็ทําให้เห็นคนอื่น สัตว์อื่นสิ่งอื่นอย่างนี้เช่นเดียวกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของก็ล้วนเสมอกันตรงที่ต้องแปลเปลี่ยนแตกสลายหายไปกลายไปเป็นดินน้ำไฟลมภายในก็มองย้อนมาที่ตนก็เห็นตนไม่เที่ยงต้องสลายไปเป็นธาตุสี่ ภายนอกก็เห็นถึงความเสมอกันด้วยสิ่งนี้ใจจึงมียานเกิดรู้สึกรู้เห็นในความเป็นจริงข้อนี้คือไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวเราตัวเขาอย่างทิงแท้ทุกสิ่งล้วนเป็นส่วนผสมของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมใจได้ถอดถอนความเห็นผิดที่ว่านี้คือสัตว์ นี่คือบุคคลนี้คือตัวเรานี้คือเขาลงเสียได้แต่ถึงแม้จะมีความเห็นได้ถูกต้องอย่างนี้แล้วแต่ความรู้สึกของความเป็นเราในกายนี้ใจนี้ยังไม่หายไปเป็นเพียงแต่ใจยอมรับเข้าใจในความเป็นจริงข้อนี้ฉะนั้น การยกระดับการพิจารณาถอดถอนความเป็นเราในกายนี้ใจนี้ก็ยังต้องทําเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นเรามีความมั่นใจเข้าใจจริงๆไม่หวนไหวแล้วว่าร่างกายนี้มันก็เป็นแค่ของยืมใช้สักวันหนึ่งมันก็ตายไปแต่พอมีความป่วยไข้เป็นต้นเกิดขึ้นความรู้สึกว่า เราเจ็บเราปวดเราเป็นนั่นเราเป็นนี่ก็ยังมีอยู่เต็มในจิตใจฉะนั้นการที่เรามีสติและหมั่นพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราอย่างเช่นเมื่อเรามีสติรู้สึกเห็นแขนมันขยับและมีความรู้สึกว่านี่แขนเราขยับก็ลองพิจารณาดูว่า ถ้าตัดมันทิ้งออกไปแล้วมันจะยังเป็นของเราอยู่หรือเปล่าเรายังบังคับหรือสั่งมันได้อยู่อีกหรือเปล่าเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะค่อยๆได้คำตอบว่ามันไม่ใช่ของเราถึงแม้ว่าใจมันยังรู้สึกไม่ค่อยอยากจะยอมรับนักก็ตามนั่นเพราะอะไรเป็นเหตุ ถ้าเรามองให้ละเอียดลงไปนั่นก็เป็นเพราะความรักความยินดีในร่างกายของเรายังมีอยู่ถึงแม้ความจริงจะมีอยู่ตรงหน้าแต่ความรักความเยื่อใยในร่างกายยังมีอยู่จึงทำให้ใจยอมรับในเหตุผลความจริงได้ยากซึ่งถ้าเราลงความยินดีความเยื่อใยในร่างกายได้ใจก็ยอมรับในเหตุผลได้ดีขึ้น และพิจารณาอย่างไงให้คลายความยินดีความเยื่อใยลงได้อุบายหนึ่งที่อาตมาพอจะแนะนำได้ก็คือในกรณีที่เป็นเนื้อร้ายที่จะทำให้ถึงแก่ชีวิตของเราเราก็จะเห็นร่างกายส่วนนั้นๆเป็นสิ่งไม่ดีทันทียกตัวอย่างคนเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ เนื้อร้ายตามแขนหรือขาเหล่านี้เป็นต้นคนที่เป็นก็คงอยากที่จะตัดเนื้อร้ายส่วนนั้นๆออกไปแน่และเมื่อรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ลองถามตัวเองดูว่าก่อนที่จะเป็นเนื้อร้ายแล้วอยากจะผ่าตัดเอาออกไปเราก็อยากให้มันอยู่กับเราไปอยู่กับมันแบบที่รู้สึกว่านี่เรานี่ของเรา แต่พอเป็นเนื้อร้ายอย่างนี้แล้วไม่อยากให้มันเป็นเราไม่อยากให้มันเป็นของเราซึ่งถ้ารู้สึกได้อย่างนี้แล้วก็แสดงให้เห็นว่าจิตใจของเราเองต่างหากที่มันสําคัญผิดเห็นผิดเพราะฉะนั้นกายนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็เกิดมีความยึดมั่นถือมั่นในใจแทนว่า จิตนี้เป็นเราจิตนี้เป็นของเราก็จะพยายามรักษาจิตอย่างเข้มแข็งแต่เมื่อพิจารณาอย่างจดจ่อต่อเนื่องเราก็จะเห็นความจริงตรงที่ว่าจิตมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวนิ่งๆเฉยๆบางครั้งผ่องใสบางครั้งเศร้าหมอง ถ้าเราเอาความเป็นเราไปฝากไว้ตรงที่จิตอย่างนี้แล้วเราก็จะสุขทุกข์สลับกันไปตามอาการของจิตเพราะฉะนั้นอยากระนั้นเลยเราก็จะไม่เอาความเป็นเราไปฝากไว้ที่จิตเรามีหน้าที่คอยเฝ้าดูความเป็นไปของกายของใจอยู่อย่างนี้แหละไม่เอาเราไปคล้องในทั้งสองส่วน เมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะสามารถถอดถอนความยึดถือในกายและความยึดถือในจิตลงเสียได้เห็นถึงสภาวะธรรมที่มีเกิดแล้วก็มีดับเห็นถึงสภาวะธรรมทั้งปวงว่าสเปธรร ม, มานาลังอภินิเวสายะคือธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดบ้านถือบ้านและเมื่อเห็นได้อย่างนี้แล้ว จึงรู้สึกถึงความไม่มีสาระเก่นสารเที่ยงแท้ในสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นที่ใจเห็นเพียงแก่นสารสาระแท้จริงเพียงหนึ่งเดียวคือบุญและบาปที่เป็นทางนำไปสู่สุขและทุกข์เห็นคุณค่าของพระธรรมคำสั่งสอนซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดได้โดยยากเราโชคดีแล้ว ที่เกิดทันในสมัยที่ยังมีคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่และคำสอนก็ยังสมบูรณ์ครบถ้วนดีอยู่อีกทั้งผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังมีอยู่นอกจากจะยังอัตภาพนี้ให้เป็นไปแล้วเราควรเรียบเร่งทำความเพียรเพื่อทำให้ถึงที่สุดทุกข์ให้ได้ในชาตินี้เพราะเมื่อความตายมาเยือน ก็ไม่มีหลักประกันใดๆว่าเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์และจะได้พบเจอพระพุทธศาสนาอีกทั้งจะมีใจเพื่อจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทเร่งทำการศึกษาปฏิบัติให้ได้ผลในชาตินี้แหละสมดังพระพุทธภาษิต ท, ที่ได้ยกไว้เป็นนิเขปบทเบื้องต้นว่าอาเชวิกิจจะมาตัปัง โกจัญญามรนังสุเวนหิโนสังครันเตนะมหาเซเนนมัจจุนาความว่าพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายอันหนึ่ง วันนี้ก็เป็นวันที่13ตุลาคมเป็นวันครบรอบหนึ่งปีแห่งการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยอัตมาภาพก็จึงจะขอเชิญชวนให้สาธุชนทุกท่านได้ทำความดีเพื่อเป็นการอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชผู้สเสด็จสู่สวรรค์คาลายัย ด้วยการนำธรรมะขององค์สมเด็จ พ, พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลกับตนเองและคนรอบข้างเพื่อให้สังคมไทยของเราเป็นสังคมแห่งคุณธรรมเป็นสังคมที่มีความสุขโดยธรรมที่ได้บัญญายธรรมมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงแต่เพียงเท่านี้ เอวัง